การทำให้กลับคืนดีการทำใหม่ให้เปลี่ยนเป็นดีการเลิกละ ก, กรมชั่วหันมาทากรรมดีหรือการกลับตัวปฏิกรรมหรือแก้กรรมนี้แต่เดินเป็นคำพื้นพื้นที่ใช้ในชีวิตประจำวันมีความหมายว่าถ้าอะไรเสียหายเสื่อมโทรมไปก็แก้ไขให้กลับคืนดีหรืออะไรที่ทำไป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 ละเลิกบาปอากุศลหรือการกระทำผิดพลาดเสียหายที่เคยทำนั้นเปลี่ยนไปทำกรรมที่ดีแทนหรือหันกลับจากความชั่วร้ายมาทำความดีงามถูกต้องทำบุญกุศลแก้ไขปรับปรุงตนเปลี่ยนแปรงกรรมจากการทำความชั่วมาทำความดีตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อก้าวขึ้นไปสู่ความถูกต้องสมบูรณ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 ทรงเน้นย้ำให้บำเพ็ญปฏิกรรมที่มากับความสำนึกและสารภาพความผิดเรียกว่าอัจยเทศนาถือว่าเป็นหลักปฏิบัติในแบบแผนของอริยชนคืออริยวินยัยรวมเป็นหลักปฏิกรรมที่เป็นระบบวิธีปฏิบัติทางสังคมขั้นพื้นฐานในพระธรรมวินัยนี้3ประการคือหนึ่ง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 ทั้งนี้แม้แต่แค่สงสัยท่านก็วางวิธีปฏิบัติไว้ให้ดังเช่นเมื่อถึงวันอุโบสถภิกษุรูปหนึ่งเกิดความสงสัยว่าตอนอาจจะได้ต้องอาบัติก็บอกแจ้งแก่ภิกษุอื่นรูปหนึ่งว่าอหังอาวุโสอิทนามายะอาปติยาเวมติโกยะธานิเพมติโกภวิสามิตธาตังอาปติงปฏิกริสามิ ท่านครับผมมีความสงสัยในอาบัติชื่อนี้หายสงสัยเมื่อใดจัดปฏิกรรมอาบัตินั้นเมื่อนั้นรูปกิริยาของปฏิกรรมคือปฏิกอรรนิยมแปลกันมาว่าทำคืนในที่นี้แปลทับศัพท์ว่าปฏิกรรมเพื่อให้เห็นชัด หลักปติกรรมในพระธรรมวิเนยประการที่สองปรวรณากรรมคือการบอกเปิดโอกาสเชื้อเชิญให้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นวินนยบัญญัติสำหรับพระสงฆ์เป็นสังฆกรรมประจำปีตลอดจบการจำพรรษาเรียกสั้นๆว่าปะวรณามีหลักการว่าหลังจากอยู่ร่วมกันมาตลอดพรรษา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 เริ่มด้วยรูปที่เป็นผู้ใหญ่ที่สุดว่าสังฆอาวุโสปวารมิมิทิเทนวาสุเตนวาปริสังกายวาวันตุมังอายสมัมมโตอนุกัมปังอุปทายะปสัสนโตปฏิกริสามิเธอทั้งหลายฉันปรารณาต่อสงฆ์โดยได้เห็นก็ดีโดยได้ฟังก็ดีโดยสงสัยก็ดีขอเธอทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวฉันฉันเห็นอยู่ ปิกรรมหลักปฏิกรรมในพระธรรมวินัยประการที่สามอจยเทศนาเป็นหลักปฏิบัติอย่างหนึ่งในอริยวินัยสำหรับทั้งพระสงฆ์และฆราดรมีสาระสำคัญว่าเมื่อใดก็ตามถ้ามีใครทำการละเมิดล่วงเกิน หรือทำอะไรไม่ดีต่อผู้อื่นต่อมารู้ตัวหรือสานึกได้จะปฏิกรรมแก้ไขกลับตัวก็ไปขอขมาอภัยเขาการแสดงความยอมรับหรือสานึกผิดในการที่ตนได้ทำความผิดละเมิดหรือล่วงเกินผู้อื่นและมาบอกขอให้เขายอมรับความสานึกของตนเพื่อที่ตนจะได้ปฏิกรรมและสำรวมระวังต่อไปนั้นเป็นความเจริญงอกงามในอริยวินยัย ในพระไต่ปิดกมีเรื่องราวหลายกรณีที่ชาวบ้านบางคนและพระบางรูปก็มีทำผิดล่วงเกินแม้กระทั่งต่อพระพุทธเจ้าเมื่อสำนึกได้ก็ไปสารภาพผิดกราบทูลขอขมาอภัยต่อพระองค์พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเมื่อได้ทำผิดพลาดล่วงเกินไปเพราะความหลงความเข่ามองเห็นโทษแล้วแก้ไขเสียก็ทรงรับขมา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 ยะโจจะโขตวังอาวุโสอจจะยังอจยยะโตเป็นต้นในที่นี้ขอเว้นบาลีไว้นะครับเพราะการที่เธอมองเห็นโทษโดยความเป็นโทษและททำคืนตามธรรมเราจึงยอมรับโทษนั้นของเธอการที่ผู้ใดเห็นโทษโดยความเป็นโทษและปฏิกรรมตามธรรมถึงความสังวรต่อไปข้อนั้นเป็นความเจริญในอริยวินยัย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 ผู้ใดประมาทพลาดไปแล้วในการก่อนรั้นภายหลังกลับตัวได้ไม่ประมาทผู้นั้นย่อมทำโลกนี้ให้สว่างสดใสดุดดังดวงจันทร์อันพ้นไปแล้วจากเมฆหมอกผู้ใดได้ทำบาป ก, กรรมไว้มาปิดเลิกเสียได้ด้วยกุศลผู้นั้นย่อมทำโลกนี้ให้สว่างสดใสดุดดังดวงจันทร์อันพ้นไปแล้วจากเมฆหมอก